ลมหายใจก็ไปยาวลึกๆสักสองสามเทีย่ยวความคิดต่างๆก็จะหยุดนิ่งกายคงเราก็สบายสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราเราก็มีความรู้สึกรับรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้แล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าสติแล้วก็สัมปชัญญะพยายามฝึกผลความรู้สึกตรงนี้ให้ต่อเนื่องเพื่อจะตื่นขึ้นมา ตั้งแต่ยังมีลูกจากที่ความรู้สึกตัวก็จะตั้งมั่นขึ้นรู้กายถ้าความรู้สึกตัวมีมากขึ้นเราก็จะรู้จิตรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้ความปกติของจิตรู้การเกิดการดับของจิตรู้การเกิดกันดับของขันธ์ห้าที่มาปรุงแต่งจิตเ่จิตกับความคิดเขาไปรวมจะเป็นสิ่งเดียวกันได้อย่างไรตรงนี้เป็นของละเอียดตัวโมหะเลยแหละ เรามาคลายโมหะตรงนี้ถ้าเราคลายโมหะหรือว่าแยกรูปแยกนามได้วิปัสนาความรู้แจง้งเห็นจริงถึงเก็บเปิดทางให้เราเราก็จะได้ตามทำความเข้าใจรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงถ้าเรายังแยกตรงนี้ไม่ได้ก็ยังอยู่ในกองบุญกองกุศลจิตของเราก็ยังวิ่งยังเกิดยังหลงอยู่หลงในส่วนนึกๆแต่ในทางสมมุติเราอาจจะว่าเราไม่หลง เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เนี่หลงกันหมดทุกคนเลยแหละนั่นแหละเราต้องมาสร้างความรู้ตัวเพื่อที่จะข้อเปิดคลายโมหะให้ได้เสีย ก, ก่อนโมหะนี้เป็นของละเอียดอ่อนคลายยากส่วนความโลภความโกโรธความใจเยอใจยันยากนะั้นมันเห็นได้ชัดเราก็รู้จักดับจักละได้เร็วได้ไวขึ้นโดยการเจริญพรมีหานด้วยการเจริ ญ, มมรวรรญความเมตตาขอให้เรา มันสำรวจดดตรวจตาดูตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้ทำบุญอะไรบ่าเราละความเจ็ดข้านของเราแล้วรู้ยังเรามีสติคอยสังเกตรเราหรือไม่ความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรเรามีความเป็นระเบียบเรีเยบร้อยไหมเรามีความเกิดข้านไหมเรามันสำรวจดดตรวจตาดูย้อน ด, ด, ด, ด, ดนูตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เกิดนั่นแหละตื่นขึ้นมาเราก็รีบดูวันนี้เราได้ทำอะไรไว้บ้าง วันนี้เดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาจนกระทั่งตั้งแต่เด็กไล่ขึ้นมาเรื่อยๆกิเลสตัวไหนมันมาหลอกเราเราพลังเผื่อให้กิเลสตัวไหนเราทําอะไรไว้บ้างเราก็จะได้ย้อนออกมาแก้ไขอยู่ปัจจุบันก็จะส่งผลถึงอนาคตแต่คนเราส่วนมากจะไม่ค่อยจะย้อนเก็บมาวิเคราะห์พิจารณาก็เลยมีตั้งแต่อยู่กับกองทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ เราทำความเข้าใจกับทุ ก, ท ำ, กทำความเข้าใจกับกายของเราเชียะทำความเข้าใจกับจิตกับความคิดกับป ร, รม์ของเราเชียะว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเรารู้จักเหตุรู้จักผลรู้เหตุรู้ผลเราก็หาวิธีแก้ถ้าเราแก้ได้ดับได้เราไม่ต้องการความสุขความสุขก็จะเกิดขึ้นมาเองนั่นแหละเราพยายามทำกันสร้างกระบะสร้างบรารมีสร้างความอดทนอดรั้น มีสัจจะกับตัวเราเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดียันตมั่นเพียรทั้งภาระหน้าที่การงานมีความพอใจเพลิดเพลินในการฝึกฝนตนเองในการทาําการทํางานมีความสุขความสุขด้วยการให้ด้วยการเอาออกคลายความยึดมั่นถือมั่นคนเราทุกคนเนี่จะปล่อยเนี่จะวางแต่ไม่รู้จักจุดปล่อยจุดวางก็วางไม่ได้ จุดปล่อยจุดวางคือก็คือการคลายความหลงแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากความคิดนั่นแหละตัวจิตเป็นลักษณะอย่างไรความว่างนั่นแหละคือตัวจิตความคิดหรือ ว, วาอาการของขันธ์ห้าที่พุกขึ้นมาปรุงแต่งจิตเป็นลักษณะอาการอย่างไรเขาก่อตัวอย่างไรเราจะมองด้วยตาเนื้อก็อยากที่จะมองเห็นเราต้องสร้างความประลึกรู้ตัวรู้ด้วยลักษณะอาการ ที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันเป็นกองของใครกองของมันอยู่กองรูปกักองร่างกายของเราไอ้ส่วนจิตเป็นนามธรรมาอันนั้นก็อีกกองหนึง่งส่วนความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตนั่นก็อีกกองหนึง่งเรื่องอะไรที่เขามาปรุงแต่งจิตทําให้จิตของเราหลงบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องของอานาคตเรื่องอดีตเขาเรียกว่ากองของสัญญาหรือความคิดทุกชนิดจะเป็นกุศลหรือว่าอกุศลก็เป็นกองของสังขาร ไอ้ตัววิญญาณนั่นนะกองหนึ่งตัววิญญาณตัวสุดท้ายหลวงพ่อจะชอบกจเรียกว่าจิตเขาเข้าไปร่วมได้อย่างไรเขาเป็นลงได้อย่างไรในส่วนละเอียดตรงนี้เราต้องหมั่นวิเคราะห์หมั่นสั้งเกตอีกอย่างหนึ่งนั้นเราจะไปบังคับกันไม่ได้ของพวกนี้ถ้ายังไม่ถึงเวะละเวลาวิบากกรรมสมุติยังไม่คลายก็ยากที่จะเดินเข้าถึงตรงจุดนี้เพราะวิบากกรรมสมุติปากท้องก็ยังลําบากอยู่ ทำอันโน้นทำอันนี้ที่โ น, น้นที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถึงเวละเวลารถเวลาถ้าอนิสง์ของพวกเราพอแต่ละบุคคลก็คงจะได้แยกแกลุก่มแยกนามบ้า้คนทุกคนเกิดมาก็ไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างอานิสงค์มาจริงก็ไปไดเร็วได้ไวสร้างทั้งทรับภายนอกสร้างทั้งรับภายในบางคนก็มีทั้งแต่ทรับภายในแต่รับภายนอกก็ไม่มีบางคนก็มีทั้งสงอย่างบางคนก็มีอย่างเดียว หรืออาจจะมีไม่มากเราก็ามาสร้างขึ้นมาใหม่ช่วงขณะที่เรายังมีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พยายามสร้างเอาร้างมากข้างน้อยก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปก็ต้องพยา ย, ยามกันเอาทุกเรื่องเราต้องสำรวจตดตาดูให้หมดท่านจะตื่นขึ้นมาจิเรศจากภายนอกหรือว่าเกิดขึ้นจากข้างในตั้งแต่ ตื่เช้าขึ้นมานั่นแหละทั้งแต่นี้วนทําต่างๆหลายความละเอียดต่างๆความระลึกรู้ตัวของเราตั้งมั่นขึ้นมาไหมจิตของเราเกิดความพุ่งซ่านหรือว่าเกิดความกำหนักนดีในเรื่องรูปรจก์ิ่งเสียงหรือไม่มีความลังเลสงสัยหรือไม่จิตเกิดจิตสรงออกไปพรุงแต่งจิตพุ่งซ่านได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เราควบคุมได้ระดับไหนระดับตั้งแต่ต้นเหตุ กลางเหตุปลายเหตุเพียงแค่การจเจริญสติสร้า ง, งความมะลึกรู้ตัวพวกเราก็ยังทำกันไม่ค่อยจะได้ต่อเนื่องถ้าพวกเราทำกันได้ต่อเนื่องแล้วอันนี้สงฆ์อันอื่นก็จะตามมาหมดทันหละถ้าเจ็ดพลาดมันก็ยากเข้าไปอีกต้องเป็นคนขยันมันเพียรอย่าให้คลาดสายตาของสติของปัญญาได้แม้ตแต่เสี้ยววินาทีจนเป็นอัตโนมัติจนเป็นมหาสติถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ ถ้าเราตามทําความเข้าใจได้ทุกเรื่องสติของเราก็จะไม่พลังเป็นมหาสติจป็นกายเป็นปัญญาถ้าเราแยกรูปแยกนาได้เราตามทําความเข้าใจเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจแล้วเราก็ละแล้วก็ดับเขาก็จะกลับคืนสุสภาพเติมอีกมันก็ยิ่งยากกว่าเก่าเราก็ต้องตามทําความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องทุกอริยบทแม้แต่ความอยากนิดๆนหน่อยๆ เราก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่จิตอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาแม้แต่อยากแครู้ทําอยากจะได้ทําถ้าเป็นความทยอทยานอยากจากจิตนี้ให้หยุดให้ดับเอาออกให้หมดเลยความอยากเล็กๆน้อยๆก็รีบกําจัดใช่ถ้าเราดับละกิเลสความอยากเล็กๆน้อยๆและความอยากตัวใหญ่ๆไม่เกิดหรอกตัวใหญ่ก็เกิดจากตัวน้อยนั่นแหละกนคนเราไม่รู้จกักดับจากจุดในการละในการดับในการปล่อยในการวาง มีตั้งแต่จะไปหาทางแก้ไขเอาตั้งแต่ข้างนกกอกแก้ไขอันนู้นแก้ไขอันนี้มันก็ยิ่งห่างไกลห่างไกลดวงจิตของเราไปแก้ไขภายนอกนั้นก็มันก็ส่งผลถึงภายในได้เหมือนกันแล้วก็ดูเหตุดูผลเชโกดเราต้องควบคู่กันทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าสมมุติไม่บริบูรณ์การฝึกหัดปฏิบัติจิตไปก็ลำบากกายก็ลำบากจิตก็ยิ่งยากในการปล่อยในการวา ทุกคนเข้ามาในวัดของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความพรอบเป็นสถานที่สปายักษน่ารื่นรมน่าอาศัยเพราะว่าได้ทำมาไว้ก่อนตั้งแต่หลายปียี่สิบกปีที่ได้เริ่มทำเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขเป็นพร ม, มีหารความเมตตาถ้าไม่มีพร ม, มีหารไม่มีความเมตตาไม่ได้อาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความอดทน ก็คงจะไม่ได้หน้ารื่นรม่อมถึงขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เลยก็เรียกว่าสถานที่พร้อมสถานที่สปปยะบริวารญาติมิตรก็พร้อมเป็นสหธรรมมิตรเป็นคนฝักใฝ่ในบุญในกุศลในธรรมกันทุกคนนั่นก็เป็นบุญของทุกคนที่ได้เข้ามาได้เข้ามาแล้วจิตใจก็สงบมีความสงบมีความสุขให้เราพยายามทาช่วยกันมีอะไรก็ทาช่วยกัน เพื่อที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังเมื่อพวกเราไปแล้วคนรุ่นหลังก็ได้มาสร้างฐานตออย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของเราเป็นของทุกคนเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนถึงว ะ, ะเวลาเราก็ต้องได้วางทุกสิ่งทุกอย่างขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็พยายามมันสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีฝากเอาไว้กบสมมติคนรุ่นหลังมากขาจะได้มาสร้างมาฐานตอ ถ้าเราไปคิดเสียว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่มีความพยันมั่นเพียรในการทําคนรุ่นหลังมาก็ลําบากเราไปอยู่ที่ไหนก็ลําบากถ้าคนคิดอย่างเราถ้าเรามีตั้งแต่เป็นผู้ให้ผู้เอาออกผู้เสียสละถึงจะเหนื่อยก็เหนื่อยกายแต่ใจก็มีความสุขนันก็จะส่งสืบทอดกันไปเรื่อยๆไปคนรุ่นหลังมาก็มาสร้างสรรค์ต่อยิ่งอนิสงส์ก็มากมายขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีตั้งแต่ความพยันมั่นเพียร ในการจัดในการทำในการสร้างทั้งภายนอกภายในสร้างภายนอกก็เพื่ อ, อย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์สำหรับทุกคนก็จะส่งผลถึงภายในภายในก็มีความสุขแต่ข้างนอกไม่บริบูรณ์อันโ น, น้นก็ยังลําบากอยู่อันนี้ก็ยังลําบากอยู่อย่างเช่นศาลาที่เรานั่งอยู่นี่ถ้าไม่ทําก็ลําบากถ้าฝนตกฟ้าร้องฝนตกลงมาก็ลําบากแต่ว่าประพฤติปฏิบัติทำที่ไหนก็ได้อันนั้นอย่าเพิ่งไปพูดถึง เราก็ต้องมาทำสมมติให้บริบูรณ์เช่น ก, กันถ้าฝนตกฟ้าร้องลาบากไหมห้องส่วมห้องน้ำลาบากไหมโรงครัวทำกับข้าวกับปลาถ้าไม่มีก็ลำบากเราต้องทำสมมติให้บริบูรณ์ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้บริบูรณ์ก็จะส่งผลถึงการเจริญภายในด้วยใครไปใครมาก็อยู่ดีมีความสุขคนรุ่นหลังมาก็อยู่ดีมีความสุขสืบต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศล ทุกสิ่งทุกอย่างทำเอาไว้ให้ทั้งสมมุติก็ทำไว้ให้ทั้งด้านวิมุตติก็ชี้ทางเดินให้แต่พวกท่านจะเดินหรือไม่